พ่อไปอีสานมานึกว่าหมอบซะแล้วอ้เย็นหนาวทางนน้นก็หลวงพ่อไปพักที่บุรีรัมย์พุทธสมาคมของบุรีรัมย์มีคนทางสุรินทางบุรีรัมย์ไปเรียนเยอะตอนนี้บางคนก็ฟังซีดีฟังอะไรไปเราไปเงียบๆนะแว่าพูดในนี้ทีเดียวเองนะข่าข่าวรั่ว <ham> ล้วกฏว่าทางนั้นเขก็ภาวนาดีขึ้นละดีขึ้นให้หลวงพ่อไปสอนที่ใหม่ๆนะบางทีท้อใจอย่างสาราลุงชินนะไปสอนทีแรกนะรู้สึกสิ้นหวังยังไงก็ไม่รู้ส่วนมากผู้ภาวานานะติดสมถะติดเท่งเอาไว้จนซึมแก้ยากโดยเฉพาะไม่ได้อยากแก้ด้วยแต่ละคนน่ะคิดว่ามันดี ลืมนึกไปว่าถ้ามันดีจริงนะคงมันรู้มากผลนิพพานอะไรกันไปบ้างแล้วล่ะคงไม่แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านใหม่อะไรอยู่วนเวียนอยู่แค่นั่นเองไม่ใต้เรื่องหรอกหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์มาครูบาาจารย์ก็ไม่ได้สอนให้ทำสมาธิให้เคลิ้มเคลิมเล่นมีแต่สอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาทั้งนั้นเลยมีคำสอนที่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้มีสติอะไรนี่มันค่อยๆเลือนไป หลวงพ่อคําเขียนบอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องสตินะท่านบอกโอยค่อยยังชั่วนะมีอาจารย์ตามโมทสอนท่านสบายใจหน่อยเพราะท่านเองก็พูดแต่เรื่องสติคนก็ว่าท่านว่าทำไมสอนแต่เรื่องสติทำไมไม่สอนให้ล่าชั่วให้ทําดีให้ทําจิตของแผ้วท่านบอกก็ถูกของเข้าเหมือนกันถ้ามีสติมันก็ล่าชั่วนะมีสติมันก็ทําดีมีสติจิตก็ผองแผ้ว ถ้าสอนมาที่การปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติจริงๆนีแต่เรื่องเจริญสติเรื่องอื่นมันไม่ใช่อย่างเรื่องทําความสงบอะไรเงี้ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนี่คำสอนอื่นๆมันแพ้พระพุทธศาสนามันก็เลยค่อยๆแอบแทกกระดึบกระดึบกระดึบเข้ามานะมาแฝงอยู่ในศาสนาพุทธของเรานี้ส่วนพวกเรารุ่นหลังนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่ อะไรเป็นคำสอนอัตโนมัติของอาจารย์นะแยกไม่ออกภาวนาก็มั่วๆไปไม่ได้ผลบางคนภาวนาแล้วบ้านะเป็นบ้าบ้างเครียดบ้างที่คนที่การร่างกายเครียดขัดยอกถ้าภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์จะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกยังไม่เกิดที่คนที่การทางกายทางใจหรอกมีแต่ว่ามีสติรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขรู้ปัจจุบันเป็นขณะขณ ะ, ขณ ะ, ขณะไป หรือบางคนก็บ่นนะว่าทำไมต้องมีความสุขพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เนี่ยต้องรู้ทุกข์รูกเดียวรู้ทุกข์รูกเดียวเหรอไม่เข้าใจคําว่าทุกข์อีกละคาว่าทุกข์ในนิยามของพระพุทธเจ้าคือรูปกับนามขันห้ากายใจเนี่ยรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้ขันรู้ธาตุรู้อายตนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเรียกว่าตัวทุกข์กล่องทุกข์นะรู้ลงไปเพื่อให้เห็นความจริงนะว่า ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจทั้งขันธาตุอายตนะอะไรต่างๆเนี่ยล้นแต่ไม่ใช่ตัวเรางั้นภาวนาจกนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจรูปนามขันห้าอายตนะหธาตนะุสิบแอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราทําไมต้องแยกหลายรูปแบบเลอเกินและจลิตนิสัยคนต่างๆกันแยกง่ายๆแยกกายกับใจก็พอ แยกรูปกับ น, นามพอละมันนี้ง่ายที่สุดเลยละเอียดขึ้นมาหน่อยก็แยกขันห้าใช่ไหมบางคนเรียนขันห้าแล้วไม่ถึงหกถึงใจก็เรียนอายตนะหกบางคนอายตนะหกไม่พอก็เรียนธาตุเรียนถึงธาตุสิปความจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่แยกหลายรูปแบบเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเราเท่านั้นเองทำไมพระพุทธเจ้าสอนหลายแบบ เห็นไหมถ้าท่านสอนขันห้าเนี่ยท่านจะสอนมีรูปอยู่หนึ่งเห็มีนามอยู่สีท่านสอนเรื่องขันห้ากับพวกที่ชอบดูนามธรรมนะดูจิตดูใจอะไรเนี่ยสอนขัน5นะ้าสอนอายตนา 6, หกเห็น้หมตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางวัตถุมีใจเป็นนามธรรมอันเดียวอันนี้สําหรับพวกที่ชอบดูรูปธรรมนะสอนท่าสิบแในท่าสิบแนี่ มีทั้งทั้งรูปทั้งนามจํานวนมากปนปนกันอันนี้สําหรับพวกชอบรู้มากมากในคำสอนของท่า น, นขันธ์ญาตนะก็คือการแบ่งแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราออกไปเป็นแง่เป็นมุมต่างๆบางบางวิธีก็แยกรูปธรรมออกไปเยอะๆบางวิธีก็แยกนามธรรมาออกไปเยอะๆบางวิธีแยกทั้งรูปทั้งนามออกไปเยอะๆเลยแยกออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นออกไปแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเรา เหมือนมีรถยนต์หนึ่งคันนะจับมันถอดถอดเป็นชิ้นๆไอ้นี่ลูกล้อใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นี่พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์นี่เบาะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมการชนนี่ไม่ใช่รถยนต์จับแยกแยกแยกออกไปแล้วเพราะ ว, ว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนแกนพอจับแยกออกไปก็ยังหยาบที่สุดก็เป็นรูปธรารามกันนามาทำเป็นรูปกันนามละเอียดขึ้นมาหน่อยแยกเป็นขัน5น้ายัตตนาหละเอียดมากๆเป็นธาตุแยกเป็นธาตุ งั้นแล้วแต่จริตนิสัยคนนะไม่เหมือนกันหรอกไม่ได้ยากนะง่ายหลักการอันเดียวกันทั้งหมดเลยธรรมะดูมีมากมายเพราะจริตนิสัยต่างๆกันแต่จริงๆแล้ง่ายๆคือกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเป็นส่วนส่วนการเรียนแบบกระจายออกเป็นส่วนส่วนนี่เป็นวิธีการในศาสนาพุทธเรียกว่าวิพัฒชวิธีนะวิพัฒชวิธีพอสำเพอบรนายากาศช่ช้างวิพัชะแยกกระจายออกไป แล้วก็พบว่าไม่มีตัวตนตัวตนมันเกิดจากการที่สิ่งต่างๆมารวมกันมาประกอบกันเข้าชั่วคราวมีจิตมีวิญญาณมีสัญญาเข้าไปหมายอย่างนี้มีวิญญาณครองมีใจครองมีสัญญาหมายก็มีตัวมีตนขึ้นมางั้นค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังฟังเล่นๆฟังเหมือนฟังยากลงมือทําจริงๆง่ายนะแค่โมโหขึ้นมารู้ว่าโมโห โลภข nee. right? ึ้นมารู้ว่าโลภโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธอะไรเกิดขึ้นรู้ไปใจลอยรู้ฟู้งซ่านรู้โหดหูรู้อะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆในสุดเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยในความโกรธไม่มีตัวเราอยู่ในความโกรธนในความโลภก็ไม่มีตัวเราอยู่ในความโลภ ในความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสุขความทุกข์ไม่มีตัวเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นค่อยๆดูไปในที่สุดก็รู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกถ้าเห็นวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะได้พระโสดาบันเห็นพระโสดาบันไม่ยากนะไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่จะทำได้หรอกใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมือยกไวมากนะนี่ที่หนึ่งที่สองนะอ่ะ ไมโครโฟนเชิญเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนไล่ตามแถวนะไม่งั้นญาติโยมน่าสงสารวิ่งมาแต่มืดเลยมารออยู่หน้าประตูวัดพอเปิดแล้วก็วิ่งเข้ามาอย่ามานั่งแถวหน้าคนรวยๆก็ไม่เท่าไหร่นะขับรถมาคนยากคนจนลำบากหลวงพ่อสงสารนะ mm hmm. เด็กผู้หญิงบางคนนะอยากจะมาส่งกันบ้าน ไม่มีรถมาตอนเช้านะรถเมย์มันก็ไม่มีหรอกเช้าๆมันเริ่มวิ่งตีห้ากว่าจะมาถึงวัดเจ็ดโมงครึ่งเข้าแถวเขาไม่ทันอุตสาห์มาแต่กลางคืนมันนอนอยู่ตามปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยมันน่ากลัวนะเดีย๋ยวใครเขาอุ้มไปหลวงพ่อเลยเปลี่ยนม่ใครอยากถามจริงๆนะยกมือเถอะคนไหนไม่ได้มีเรื่องที่อยากจะถามนะก็เห็นแก่คนอื่นเลื้อเฟื้อยังไม่ยกเอาไว้ดูของเราเอง ภาวนาอย่าถามเยอะไม่ดีหรอกถามมากก็ฟุ้งซ่านมากสงสัยขึ้นมาแล้วก็ดูของเราเองก็ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยหรอกอว่าไปยังจะถามอีกหรือเนี่ยหลวงพ่อไปเทศที่บุรีรัมณ์นะโยมก็มาเต็มห้องแต่ห้องเล็กกว่านี้เขาไม่โตขนาด น, นี้หรอกเขาเทศเทศนะบอกว่าโอ้ยภาวนาอย่ามาสงสัยอะไร นะรู้สภาวะไปสงสัยก็รู้ว่าสงสัยก็จบละคนไหนคิดมากก็สงสัยมากสงสัยมากถามมากถามแล้วก็ฟังแล้วก็คิดอีกสงสัยอีกไม่รู้จะจบหรอกเสียเวลาปรากฏว่าอ้าวใครจะถามเงียบเลยปรากฏว่าโยมกรุงเทพกล้าหานกว่าเข้าไปเื่นเต้นค่ะมันรู้สึกสบายสบายอะคะ่ะ ท่งที่นั่งอยู่มันมีรูบไปเป็นระยะระยะน้อมใจให้นิ่งนะอย่างน้อมใจอยู่รู้สึกไหมน้อมใจให้นิ่งให้ซึมกว่าความเป็นจริงให้รู้ลงไปนะว่าไม่ใช่ธรรมดาหลวอกไหมจิตไม่ธรรมดาหรอกจิตนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่หน่อยหนึ่งให้รู้ลงไปเอาใครพยาบาลเอาขออีกนิดงเอาว่าไปที่มันมูบไปเป็นระยะระยะนี่มันเป็นอาการของกายหรือว่าของจิตนะคะน้องใจ ทางจิตใจนะจิตนั้นะลงพะวังเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าขับรถอยู่วุบวุบอย่าเพิ่งขับนะ <c oughs> เดี๋ยวมันรวมลงไปแล้วไม่รู้อะไรละมันมา น, มานคนนี้โอ้ลูกฝึกคนโปรดเลยมาวันหนึ่งมาบอกหลวงพ่อผมมันมานชัดชัดวันนั้นนะมานรู้ไหมมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านมานั่งอยู่ครับท่านชมเลย บอกนี่มันนักปฏิบัติมันต้องใจถึงถึงอย่างนี้อว่าไปสวัสดีปีใหม่ครับอ้แฮปปี้นิวเยียร์มาให้หลวงพ่อสุขสันวันเกิดด้วยครับฮะวันเกิดใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมหน่อยครับอ๋อเลรอ <c oughs> ไปให้เขาร้องเพลงให้ฟังไปถามครับหลวงพ่อก็คืออย่างอย่างครั้งก่อนเนี่ยที่เรามาพูดเรื่องอสภาวะไอธรรมชาติด้านมืดกับด้านสว่างการนี้าถามว่า ถ้าจำแนกจิตที่เป็นมหากรุสลจิตนะครับแปดดวงลงฟากมืดกับฝ้าสว่างเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องสุขเวทนากับ อ, อ, อุเบกข า, าแสดงว่า อ, อ, อาสังขาริ ก, กังปัญญาที่มีปัญญาเนี่ยครับมันอยู่ฟ้าสว่างหรือเปล่าฮะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ฟากสว่างทั้งหมดเลยอยู่ฝ้าสว่างแล้วอย่างนี้พวกสมถะธรรมดาสมถะก็เป็นกุศลนะจะเป็นกรุสุลฟาก ก็ <G> สว่างก็สว่างเหมือนกันแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว mm ่าอยู่ในช่วงของไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในช่วงพุทธันดรเนี่ยครับมหาวุตรจิตแดวงเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไหมเ้ยกเว้นพระปัิเจกเกิดได้คนทั่วๆไปก็เกิดแล้วทําไมแล้วทําไมต้องรอพระพุทธเจ้าครับเพราะว่าไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ่แต้แต่แต่แต่แต่แต่แตไแต่แต่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แต่แต่แ เขาเรียกว่าสาธารณกุศล<ห>นะไม่ใช่ปอเต็กปึงนะคำว่าสาธารณกุศลเนี่ยอยู่ในคมภีร์มานานแล้วนะนะคำพีอภิธรรมหมายถึงเป็นบุญเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องสติปัฏ ฐ, ฐานไม่ใช่วิปัสนา<ห>อันนี้มีทํามาตลอดอย่างลือศีชีไพรเขาก็เข้าฌานได้<ห>นคนทั่วๆไปก็รักษาศีลทําทานได้ น, นี่เป็นกุศลทั้งสิน<ห>้นแต่กุศลพวกนี้มันเป็นกุศลเพื่ออยู่กับโลก มันไม่มีกุศลชนิดที่จะข้ามโลกลก็ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตรัสนานๆถึงจะตรัสสรู้สักองค์หนึ่งนะบางองค์พอตรัสสรู้แล้วท่านสอนเสร็จแล้วสาวกรุ่นของท่านเนี่ยนิพพานไปแล้วเนี่ยก็สูญไปเลยศาสนาไม่ดำรงอยู่ อ, อย่างสมัยพระเวสภูพระสิขีพวกนี้พวกนี้พระอะไรพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูสามองค์เนี่ยพอจบแล้วจบเลย คือพากันไปหมดเลยไม่มีใครต่อเลยใช่ไม่มีคนต่อเพราะงั้นหายากนะหายากอย่างศาสนาของเราเนี่ยถือว่าอายุยืนสืบช่วงมาได้นานแล้วแล้วก็ออพอดีซีดีเพิ่งไปฟังแผ่น19บเกครับ ก, ก็ฟังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับเห็นวันที่ตัวเองมารายงานอุ้ยกระจัดกระจาย uh <laughs> รู้สึกว่าดูฟังแล้วฟังแล้วอายตัวเองอายก็รู้ว่าอายแล้วก็ For ์เวิร์ดไป <laughs> คาวนี้คําถามครับคําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันฟุ้งๆฟุงๆอย่างนั้นเนี่ยครับตายไปตรงนั้นเนี่ยจะไปเป็นอสุรกายไหมครับไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นทำไมไม่เป็นนะครับหรือว่าไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นเดรัจฉานอ๋โอโอเค <laughs> แล้วคราวนี้คําถามคือสมมุติว่าในช่วงพุทธันดรอีกในช่วงพุทธันดรอีกคราวนี้ เกิดผมไปเห็นอ่ะเห็นตัวเองมันโผล่ขึ้นมาแล้วอุ้ยมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันฟุ้งแบบเดิ ม, มก็ไม่รอดสิครับก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อไม่ได้เจอพระองค์อื่นคือถ้าบุญวาสนามันพอนะก็สติเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นพระปัจเจกไปเลยคือ<ก>ช่วงนั้นก็จเจริญปัญญาได้จจเจริญเจิญได้ถ้าบังเอิญถ้าเป็นพระปัจเจกไ ม, <laughs> ไ ม, มออ่ไม่มีบังเอิญอ๋อไม่มีบังเอิญคำว่าบังเอิญไม่มีในาศาสนาพุทธนะอืม สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นคำว่บบาบังเอิญไม่มีฟลุ๊กไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรแล้วอถามขอคขำขำขำขำเล่นเล่นสักอันหนึ่งครับอย่างพวกเราเลยครับเรามีพ่อมีแม่พอเราเกิดมาเราก็ได้ชื่อมาเลยว่าเป็นคน น, ค น, นี้คนนี้พ่อแม่เขาเรียกเรา <Ừ. S 2> แต่ยังพวกโอปปา้ปาปิกาพวกนี้ครับพวกเทวดงเทพดาเขาผุดขึ้นมา <Ừ. S 2> แล้วใครตั้งชื่อให้เขาครับหลวงพ่อเขาตั้งเองก็ได้พวกพักพวกตั้งให้ก็ได้โอ้เขามีพักพวกอยู่แล้วหรมีไง เขาเรียกว่าเวลาตายไปนะเขาเรียกว่าเข้าถึงความเป็นสหายในหมู่เทพชนิดนั้นชนิดนี้โอ้โหเร อ, อครับออมีพักพวกนะแต่ถ้าไปเกิดในโล ก, กันนะไม่ใช่เทพนรกชนิดหนึ่งโล ก, กันตานรกไม่มีพักพวกไม่เห็นใครเลยไม่ต้องเรียกชื่อรับขอบพระคุณครับเมื่อกี้ใครคนนี้คนนี้คนนั้นยกก่อนหรือเปล่าเอาใหม่ยกใหม่ อ่ายกได้อ่อันนี้อ้าวว่างไวว่างไวว่างไหวคือเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แ ล, แล้วนะคะหนูเหมือนกับว่ากําลังไม่มีเลยค่ะโดยบรรากไปอืวิหารธรรมก็เอาไม่อยู่อะคะ่ะเสร็จแล้วทําไมมันก็หายเพราะว่าถึงไม่มีเรี่ยวมีแรงนะความไม่มีเรี่ยวมีแรงก็มีไตรลักษณ์เหมือนกันตอนนี้หมดเรี่ยวหมดแรงนะอย่าไปตกใจรู้ไปเรื่อยๆ สภาวะแห่งความเสื่อมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันแล้วเาเมื่อมีกำลังเขากลับมาใหม่ให้เราเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันอืก็ดูไปเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูเพื่อให้มีแรงนั้นไตรลักษณ์เนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว <c oughs> ในสภาวะที่อ่อนแอป่อแฝนะดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยรู้ไปใจไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยดูรู้เรื่องแล้วจะมีแรงขึ้นมาเลย นีอีกคาถามหนึงค่ะพอดีเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องมาอุบัติที่ประเทศอินเดียไม่ใช่นะท่านอุบัติในชมพูทวีปไม่ได้ชมปฏิบัติอะไรอุบัติในอินเดียโลกนี้เพิ่งเกิดมาสี่พันกว่าล้านปีอยองยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในที่เดิมนี้ได้สักกี่ยวคําว่าชมพูทวีปไม่ใช่แปลว่าอินเดีย มันเป็นการแบ่งทวีปของคนโบราณต่างในจักรวาลอื่นก็มีชมพูทวีปแล้วเขาก็เลยชวนว่าคนที่ก็เลยได้ความรู้แล้วก็เขาว่าชวนแนะนําว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะไปนั่งสมาธิไปกราบณที่ตรงสังเวียนิสถานสี่แห่งตรงนั้นก็ไปก็ได้นะแต่คนมาชวนหลวงพ่อเลยหลวงพ่ อ, อยังไม่ยอมไปเลย เรารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นนั่งรอเราอยู่ที่นั่นอ่ะพระพุทธเจ้าอยู่ต่อนหน้าต่อตาเรานี้เรามีสติไหมมีสัมมาสมาธิมีปัญญาไปรู้ไปเห็นไหมนะ<ม>แต่การที่ได้ไปอย่างนั้นมันเหมาะกับพวกที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าใครไปไหว้สังเวชนียสถานแล้วก็ตายไปไม่ตกนรกอะไรเงี้ยถ้าตายตอนนั้นนะ <c oughs> กลับมาด่าพ่อด่าแม่ทําไมมันจะไม่ตกอ่ะ ตาตอนนั้นไม่ตกเพราะอะไรพระจิตกำลังมีปีติมีความเรื่มใสในพระพุทธเจ้านะจิตผูกอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรตอนนั้น<ม>กลับมาแล้วหลงหลงลืมลืมเกะกะเกเรคิดเหรอว่าจะปิดอบายมันเป็นคำพูดที่เล่าลือแบบไม่เมกเซนเลย ม, มีโอกาสไปก็ไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอนุโมทนานะห<ม>ลวงพ่อขี้เกียจเข้าสวมแขก <laughs> แล้วเขาพูดต่อว่าตร ง, ตรงชมพูทวีปจะเป็นดินแดนที่โลกเกิดแล้วก็ดับตรงนั้นเขาพูดนะอให้เขาพูดไปอ้อาวจัญญาคืออะไรที่เกินกว่าการมีสติรู้กาย ร, รู้ใจลงปัจจุบันนะอย่าไปสนใจเลยแต่ว่านิสยัยปูทุชนนะคือเชื่อข่าวเล่าหรือนะเชื่อข่าวหรือเรียกมงคลตื่นข่าวอย่างเงี้ยมงคลตื่นข่าวตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีนะ แต่ถ้าเป็นพระสวสดาจะไม่เปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าบางวงคุครูบาอาจารย์บางวงค์ท่านก็ไปนะท่านบอกไปแล้วตรงนั้นทำสมาธิดีอะไรเงี้ยมีประโยชน์ถ้าไปได้ก็ไปนะถ้าไปได้ก็ไปครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงอเงี้ยเป็นข้าโฆษณาใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายนมาสการค่ะหลวงพ่อ อาทิตย์นี้จันยาเกิดโทสะแรงมากแล้วก็จิตไม่ปกติดูออกไหมจิตขนาดนี้เกินธรรมดาคือมันเกิดโทสะมาแล้วความรู้สึกว่าเราก็รู้ว่าโทสะมันเกิดขึ้นแต่เราก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันสนองกิเลส ต, ตัวเองไม่เอาสิถ้าถ้าปล่อยใจนี่ไม่เป็นไรนะอย่าปล่อยกายปล่อยวาจา มันหลุดปล่อยไปอะค่ะพอหลุดปล่อยมาไมสำรว ม, รวมไหมสำรวมระวังไหมนะมันก็เป็นทุกข์อะค่ะหลวงพอ่อเพว่าต้องทุกข์แหละทําอกุศลเยอะมันก็ทุกข์แหละนะเป็นความยุติธรรมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่า เ, เราไม่น่ามามีความรู้สึกว่า เ, เรียนทธรราะ ก, กับหลวงพ่อแต่เราไม่สามารถที่จะระ ง, งับตรงนี้ได้ถ้าระ ง, งับได้มันก็ไม่ใช่ของจริง เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราบังคับไม่ได้แต่มันเป็นอนัตตาถ้าเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้วจะไม่คิดไประงับมันหรอกแต่ว่าจะรู้สภาวะของมันว่าโอ้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วแล้วเห็นลักษณะของมันว่าเออมันเป็นของแปลกปลอมมาบังคับมันไม่ได้หรอกมันผ่านมาแล้วผ่านไปใจเราไม่ไปต่อต้านมันถ้าใจเราไม่ไปยินดีกับมันหรือไปต่อต้านมันนะกิเลสจะทําร้ายจิตใจไม่ได้เลยมันจะเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเฉย การที่เราหลุดปล่อยเนื้อป่อยตัวไปทางตายวาจ้าตรงนั้นเป็นประเด็นรองรู้สึกไหมลึกๆเนี่ยเรายึดกับคำว่าเราอย่างเหนียวแน่นเลยมันมีเราเราจะต้องดีเราจะต้องไม่ชั่วไปดูตัวเนี้ยตัวอื่นนะเรื่องเล็กเรื่องกระจอกง่อยๆนะหัวโจกของปัญหาอยู่ตรงที่เรายึดถือว่ามีเราอย่างเข้มข้นนี่แหละไปดูตัวนี้ดูเฉยๆรู้สึกรู้ไหมรู้สึกไหมบางครั้งก็มีความรู้สึกเป็นเราอย่างแรง บางครั้งก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราไปดูตัวเนี้ยไม่ต้องดูตัวอื่นนะไปดูตัวนี้เป็นหลักไว้ถ้าตัวอื่นรู้ก็ให้มันรู้ไปไม่ห้ามบพรรคัแล้วเบอร์ห้าสี่จะไปเมื่อไหร่ล่ะจะไปจะไปชมพูทวีปเมื่อไหรตรงเนี้ชมพูทวีปคือทวีปของมนุษย์อย่างนี้แหละอเมริกานี่แหละชมพูทวีปทวีปของมนุษย์ชนิดนี้แหละะ งั้นคำว่าทวีปทวีปนะไม่ได้เป็นทวีปทางภูมิศาสตร์เป็นทวีปทางจิตใจทางความรู้สึกงั้นตอนนี้เราก็อยู่ในชมพูทวีปอยู่พร้ะเราไม่ได้อยู่ในอุตรากุรุทวีปใช่เราไม่ได้อยู่ทวีปนนทวีปนี้อย่าไปกังวล น, นะเพราะงั้นพุทธะเกิดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเกิดที่อินเดียเกิดที่นี่ก็ได้ พวกอินเดียคงชอบนะว่าที่ปูก ข, ขาดพระพุทธเจ้าท่านเกิดตรงนี้การนับส ก, การครับหลวงพ่ อ, ย ก, พอยกมื อ, อยังย ก, ยกแล้วครับผมอาว่าไปครับผมผมเพิ่งม า, มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับผมกับจิตกิจเพ่งกับการรู้สติเนี่ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ ก็เพ่งกับเผลอเนี่ยนะเป็นสุดโต่งสองข้างมีสติเนี่ยคือตรงกลางทางสายกลางงั้นวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตเผลอไปแล้ว้ารู้ว่าเผลอนะมันจะพอดีแต่รู้ว่าเพ่งไม่ค่อยกลับมาหรอกเพ่งมชอบเพ่งเพ่งแล้วเพ่งเลยละงั้นถ้าเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยจะพอดีพอดีแล้วก็พอดีนี้อยู่ชั่วคราวอยู่แวบเดียวเดี๋ยวก็ไม่เผลอก็เพ่งอีกอย่างตะเกียบเผลอรู้ไหม ของคุณติดเพ่งนะของคุณเนี่ยที่มันทําอยู่เนี่ยมันยืนพื้นด้วยกันเพ่งข้าวหมให้รู้ลงไปอย่าไปเกลียดมันอย่าไปเกลียดมันแล้วก็อย่าไปนิยมมันแต่เดิมเราภาวนาเราคิดว่าต้องบังคับตัวเองถึงจะดี mm hmm. การบังคับตัวเองไม่ใช่การทํำวิปัสสนาการวิปัสสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือกายกับใจความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของจิตใจเป็นไง ความจริงของกายของใจถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะั้นเรียนเพื่อให้เห็นแค่นี้เองนี่คนทั่วๆไปคิดว่าจะต้องบังคับตัวเองการบังคับตัวเองไม่ใช่วิปัสสนาะนะบังคับกายบังคับใจเป็นการทําให้กายลําบากทําใจลําบากเรียกว่าอาตัตตะกิรมัฏฐานุโยกเป็นความสุดโต่งอีกข้างหนึ่งทรมานจิตแต่ละนาทีมันไม่เหมือนกันเลยเนะครับเราเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เหมือนกันเรียนเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ดูออกไห เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เราบังคับไม่ได้เนี่เรียนจนกระทั่งมันหนึ่งจิตยอมรับความจริงตรงนี้ถ้าจิตยอมรับความจริงตรงนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันละไม่ใช่เรียนจนบังคับได้หลายคนไปวาดภาพไวเพี้ยนเพี้ยนนะว่าพระอราหันต์เนี่ยคือคนซึ่งบังคับกายบังคับใจได้เรียบร้อยตลอดเวลาท่านปล่อยวางต่างหากท่านไม่ได้ไปบังคับไว้ ที่เห็นเด่นชัดคือความทุกข์ที่พ่อผมเสียเมื่อห้าปิก่อนนะผมเห็นว่ามันจุกตรงหน้าอกแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนมาที่คอแล้วทีนี้มันเห็นความทุกข์ครับผมดูซิจิตจะทุกข์ห้ามมันได้ไหมไม่ได้ครับอจิตจะทุกข์ไล่มันไปไหมไม่ได้ไม่ไปครับเนี่ยของจริงแสดงตัวอยู่แต่เราไม่ชอบเราอยากให้มันไปครับผมพอรู้มันก็หายไปครับเออตอนู้ครับ แล้วทีนี้ผมถามแม่ว่าต่อไปจะอยู่ยังไงกรุณาช่วยให้หลวงพ่อช่วยช่วยตอบคาถามนะครับว่าแม่อยู่คนเดียวครับผมก็ให้แม่อยู่กับปัจจุบันเลยแ ม, แม่นั่งอยู่ตร<น>งไหนเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังเรื่อยๆไปคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วความทุกข์นะัตกหายไปต่อหน้าต่อตานี่ยมีจํานวนนับไม่ท้วนแล้วนับไม่ถูกอะ่ะเราไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็ขึ้นก็คงนับได้เนาะงั้นฟังไปเรื่อยๆนะฟังธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะลบล้างความเศร้าโศกได้ดีที่สุดเลยคนสมัยโบราณมีสีหามหมานอีหนูสุดที่รักตายนะอหนูตายแกเนี้ยเสียใจมากกว่าพ่อแม่ตายล่ะมั้งเพราะาตอนพ่อแม่ตายไม่ร้องไห้มากลางถนนนะนี่เมียตายร้องไห้แล้วก็คิดว่าจะต้องไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมะนี่ฉลาดนะ ในที่สุดได้ฟังธรรมะความเศร้าโศกในจิตก็สลายตัวไปเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานะเราเจอความสุขเจอความทุกข์หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหนีได้หรอกนะให้รู้ลงไปเรื่อยๆมีสติรู้กายมีสติรู้ใจวันหนึ่งความทุกข์มันจะหลุดออกไปจากใจของเราเอา้าวชาวชมพูทวีปใจลอยไปแล้วอา้าวได้อา้าวว่าไป ให้คนนี้เล่นยึดหม้ไว้ก่อนแล้วยกมือที่หลังอ่าว่าไปยกนานล้วค่ะหลวงพ่อ อ, อ๋อจะบอกว่าเมื่อว่าเมื่อหลายวันก่อนคือก่อนที่จะมาวัดอะคะ่ะฟุ้งซ่านมากเลยแบบหลงไปคิดนู่นคิดนี่แต่ว่าวันนี้รู้สึกแบบว่าใจมันเบาๆแล้วก็แบบมีความสุขรู้สึกบกว่ามันมีความสุขอะคะ่ะอืไม่รู้ว่ามันเกินจริงไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าไปกังวล เมสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ไปว่าสุขไม่ต้องค้นคว้าว่ามากน้อยไปแต่ดูไปซิความสุขอันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีตื่นเต้นก่อนหน้า น, นี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อตอนนี้ก็เบาลงแล้วค่ะเออนะนี่ดูอย่างนี้ถูกต้องดูไตรักษณ์นะไม่ได้ดูว่าเอ๊ความสุขนี้สุขจริงหรือสุขปลอมสุขเวอร์หรือสุขพอดีอะไรเงี้ยไม่ต้องคน้นคว้า ไม่มีความหมายอะไรน ะ, ะได้อีกหนึ่งคนใครจะยก เ, อเบอร์แปไสิบไวชัดเลยน่าจะเป็ น, ปนสอสอกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือตั้งแต่มาช่วงล่าสุดคือตอนปีใหม่ะคะ่ะหลังจากนั้นกลับไปสองาทิตย์นี้คือในแต่ละวันเนี่ยจะมีสติตามรู้ได้บ่อยขึ้นนะคะ จะรู้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างค่ะแล้วช่วงนี้ที่ดูข่าวก็จะมีหลายๆครั้งที่จิตปรุงแต่งแล้วก็เกิดความทุกข์ก็เข้าไปรู้ว่าตอนนี้รู้สึกทุกข์ ม, มีความทุกข์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปคิดว่าต้องการให้หายแต่ว่าพอไปรู้ซ้ําย้ำๆเข้าหลายๆครั้งก็รู้ลึกๆเหมือนลึกๆว่ามันต้องการให้หายเลยเข้าไปรู้ซ้ําหลายๆทีอ่อดีอย่างนั้นแหละดีล้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะ ทำไมมันอยากให้หายถ้าหายเราจะได้มีความสุขเราจะได้มีความสุขเห็นไหมการภาวนาหรือการทําอะไรนะเบื้องหลังมีเราซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยที่หลวงพ่อบอกว่าจันยาไปดูนะมันมีเราซ่อนอยู่อย่างเข้มข้นไปดูเรื่อยๆต่อไปความเป็นเราสลายตัวไปเรื่อยๆดีละภาวนาใช้ได้แล้วนะทีเอาใครจะยกมือเอาคนนนท์ยกก่อนคนนี้ไม่ทันเข้าสักที นำมัส ก, การหลวงพ่อยมเคยมากราบหลวงพ่อสามครั้งปีหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เคยทิ้งการปฏิบัติยมมาจากหัดใหญ่ค่ะรบ ก, กวนหลวงพ่อเมตตาดูสภาวะการภาวนาของยมด้วยค่ะใช้ได้นะดูไปเรื่อยๆแล้วจะทำไงให้ยิ่งๆขึ้นไปค่ะทำให้ยิ่งก็คือมีสติบ่อยๆทำเนืองๆนะกิเลสอะไรแปลกปลอมเข้าในใจตรงนี้แข็งไปแล้วกิเลสอะไรแปลกปลอมเข้าในใจก็คอยรู้ไปเรื่อยๆใช่ได้นะภาวนาใจมันตื่นแล้ว และสิ่งที่เป็นตอนนี้คือจิตมาเบียดบังกายหรือเปล่ะอะไรนะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือจิตมาเบียดบังกายนะครับล่ามันมาเบียดเบียนกายนะครับค่าคะมันเบียดเบียนยังไงล่ะมันดิ้นรนอึดอัดครับค่องแน่นนะั่เป็นหมดแล้วใช่มันมันกดเอาไว้นะแต่ว่าที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วของคุณจิตมันไวคนข้างๆเขาอึดอัดเราก็เลยอึดอัดไปด้วยขอบพระคุณหลวงพ่อมา ให้คนนี้ที่ยกมาหลายรอบแล้วเอาเบอร์ห้าประหยัดไฟว่องไวว้าวคะ่ะหนูถามสั้นๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าหนูตั้งใจมากเกินไปอยากถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค ะ, ะดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะค ะ, ะ, ะไปเชิญไปทานข้าวไป